แปลกสองคนนะตอนนั้นอยู่บนถ้ำหบปล่องเห็นพลาวิ่งกันตุ๊บตับตุ๊บตับาวิ่งจริงพริงปลาป่าเนี่ยบางทีไม่ไปรีบร้อนนะวิ่งตุ๊บตับตบ ต, บตบแปลกแคล่วิ่งลงมาทาไปไหนหลวงปู่จะมาละลงไปรับหลวงปู่เราก็รวมตัววิ่งตามลงไปด้วยลงมาถึงข้างล่าง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 ดูหน้าก็รู้แล้วไม่ต้องดูจิตหรอกเรียกฟอร์มมากรมมากเห็นนักปฏิบัตินะจะภาวนาให้ดีนะต้องฟอร์มน้อยฟอมน้อยถ้าเราฟอร์มมากแล้วพอคิดถึงปฏิบัติพุ๊บเรารวบจิตขึ้นมาเลยจิตจะนิ่งผิดความเป็นจริงภาวนายากละตัดจากนั้นจะทื่อๆไปตลอดเป็นของปลอมไปหมดเลย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 ถ้าจะมาเริ่มภาวนาตอนอัลไซเมอร์กินแล้วเนี่ยนะไม่ได้ผลละสุขภาพต้องพอแข็งแรงพอประมาณแต่ไม่ใช่ฟิตเพรียะวิ่งร0อยเมตรใน9วินาทีไม่จำเป็นะนะถ้าสุขภาพไม่ดีภ า, า, าวนายากใจม่นกังวลไม่มีแรงยิ่งโรคบางอย่างนั่งแล้วเบลอเบลอเบล อ, บอทั้งวันภาวนาลำบาก อย่าพวกเรารีพภาวนาตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเราภาวนาจนชำนาญตั้งแต่แข็งแรงแล้วต่อไปเป็นโรคนะ้ำเบลเบลอะไรยังภาวนาได้นะเป็นโรคอะไรก็ยังภาวนาของเราอยู่ได้ไม่ลำบากนอกจากนี้ก็ต้องอะไรนะอ้อซื้อๆเนี่ยพ่อเพิ่งเทศให้ฟังตะกี้นึง <laughs> ต้องซื่อนะแต่ละคนชอบปั้นปั้นหน้าใส่หน้ากา ก, าก หลอกตัวเองก่อนแล้วหลอกคนอื่นทีหลังนะอย่างนี้ภาวนายากเพราะเรามองไม่เห็นกิเลสกิเลสซ่อนหมดเลยนึกว่าเราเป็นคนดีงั้นะอย่างหลวงพ่อถามเวลาส่งกันบ้านเห็นกิเลสอย่างนี้เห็นกิเลสอย่า ง, งนีน้โอ้หลวงพ่อว่าอย่างนี้ดีนะถ้าเห็นกิเลสได้วันหนึ่งก็สู้กิเลสได้ไม่เห็นมันสู้ไม่ไหวหรอกกิเลสเราไปกินหมดนะซื่อๆภาวนาไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีนะจะถามครูบาอาจารย์ก็อย่าใส่หน้ากา ก, ากมาถาม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 ไม่ทําในรูปแบบเลยนะจิตใจก็จะย่อหย่อนสมาธิก็จะตกถึงจุดหนึ่งภาวนาไม่ได้จริงงั้นแบ่งเวลาทําในรูปแบบไปทุกวันสิบนาทีก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยเนะบื้องต้นหลวงพ่อขอสินาทีเท่านั้นแหละพอสิบนาทีเราทําได้ชํนชนานีชํานาญมีความสุขที่ได้ทํานะมันเพิ่มเองนะเดี๋ยวนี้ใครเคยนั่งภาวนาหรือเดินจงกรมรวมๆ ล, ล, ละวันหนึ่งได้ชั่วโมงหนึ่งบ้างมีไหมยกมือซินี่ยชักเยอะแล้วนะ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 ก็อยู่มาจนแก่จนตายนะไม่มีตำราว่าศึกอนะไม่มีถูกไล่ไปนะเพราะเป็นต้นต้นต่อทุกทีเลยนะไม่ใช่อาบัต ท, ทีหลัง <c oughs> <c oughs> นี่ยอดเยี่ยมไม่ต้องเอาอย่างนะกลุ่มนี้ <c oughs> พัทธวคีสามสิบคนีอยู่กันสามสิบองค์เนี่ยพระโมคคลาสาริบุตรเขาก็เพื่อนกันใช่ไมประคองกันไปประคองกันไปแต่มีพักพวกอีกสอง้อยห้าสิบเนี่ยชะดินเขาก็มีสามคนพี่น้องเนี่ย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 จังหวะที่สองรู้ว่าฟุ้งสั้นแล้วไม่เกิดจังหวะที่3าให้มันกลัวจะฟุ้งนะเลยปละคลองเอาไว้ก็เลยหนักนะเราเอาแค่สองจังหวนะแต่เขาไม่ให้ใช้มอเตอร์ไซ ส, สองจังหวะใช่ไหมแต่ภาวนาเราเอาแค่2จังหวนะภาวนาเราใช้ระบบดิจิตอลนะเราไม่ใช้ระบบอนาล็อก ใช้ระบบดิจิตอลศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งคือเห็นไหวขึ้นมาแล้วก็หายไปไหวขึ้นมาแล้วก็หายไปหนึ่งกับศูนย์ม่ใศูนย์กับหนึ่งปุดขึ้นมาแล้วก็ดับปุดขึ้นมาแล้วก็ดับนักศึกษาหลวงพ่อครับผมขอเรียนถามเวลาที่ทํางานแล้วฟุ้งเยอะๆหลังจากทํางานเนี่ยจะมีวิธีกแก้<ล>กยังไงเวลาทํางานในอยู่ใน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 ในเวลาเล็กๆน้อยๆแค่นี้เอาให้หมดเลยส่วนเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยทำไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าผมในวิหารทาต้องดูกายดูจิตยังไงครับอะไรถนัดล่ะถนัดอะไรเอาันนั้นแหละไม่ได้มีความต่างกันหรอกครับแล้วแต่ความถนัดดูกายแล้วสติเกิดบ่อยก็ดูกายดูจิตแล้วสติเกิดบ่อยก็ดูจิตนะของคุณนี่ก็ดูกายเยอะๆเรารักกายมากรู้สึกกายเราสวยเรางามนะ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 เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะ <c oughs> ไม่เป็นอย่างนี้ทุกคนด้วย <c oughs> ไม่ใช่เป็นทุกครั้งอย่างเดียวนะเป็นทุกคน <c oughs> มันต้องมีวิบากไนงะอย่างเราคลุกกัะโลกข้างนอกมานะ <c oughs> ใจเราก็ค่อยๆมันเปื้อนมันปนเปื้อนมาอยู่วัดนะมันก็ใช้เวลาสองสามวันนั้นถึงจะเข้าที่เป็นทุกคนแหละธรรมดาค่กร <c oughs> าบนพัธการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้มันบางทีเหมือนมันลอยลอยมัน <c oughs> ชอบไหมใจลอย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 ยมต้องทําในรูปแบบมากขึ้นหรือเปล่าเจ้าคะ่ะใช่คือพออายุเยอะขึ้นนะ่ะต้องช่วยมันนิดนึงเจ้าคะ่ะสมองของเราเสื่อมโดยธรรมชาติคนตั้งแต่อายุห้ขึ้นไปเนี้ยสมองเริ่มเสื่อมละเจ้าคะ่ะแล้วเราต้องช่วยมันนั่งเฉยเฉมันจะเบลอมันจะรู้ไม่ชัดจริงใจมันจะล่องลอยง่ายเพราะรู้สึกกายบ่อยๆเคลื่อนไหวบ่อยๆเดินให้มากใช่ไหมเจ้าคะ่ะเดินเมื่อยก็นั่งพัดไปก็ได้เคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวไหมเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ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 ก็าการแยกขันได้เป็นจุดตั้งต้นของการจเจริญปัญญาต่อไปนี้เราก็มีหน้าที่แค่ว่าเห็นขันมันทำงานเราเป็นคนดูสบายสบายไปเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่เห็นบ่อยหน่อยก็แล้วกันครับก็พอดีเร็วๆวันนี้ครับมันรู้สึกรู้สึกสัมผัสถึงจิตได้โดยตรงครับแต่ว่าจิตของเราหรือคนอื่นของตัวเองครับออออดีก็พอสัมผัสได้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกขึ้นมาได้เลยว่าจิตมันมัน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 เมื่อวานนี้ช่วงตอนเช้าที่เดินไปทานอาหารหนูเดินไปทางหินที่โรยกรวดนะคะก็รู้สึกเจ็บช่วงนั้นรู้แล้วว่าเผลอเสร็จแล้วก็ไม่เห็นความเจ็บก็เป็นเห็นเห็นสิ่งที่แปลกที่ที่แทรกเข้ามาในความเจ็บสักพักนึงก็หายไป<ม>แล้วมาเกิดสภาวะอีกครั้งหนึง่งตอนใกล้ๆจะเวียนเทียนค่ะเห็นโทสะหนูเห็นลอยๆอยู่ข้างนอกเมื่อเห็นปุ๊บ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 มองให้เห็นว่าทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ใจรักนะนะมรรคผลเป็นของแถมมนาะดูด<ม>อ<ห>อกไมมล่ะใจไม่เป็นกลางนะแต่ในะจไม่ค่อยถึงฐานด้วยใช่ไหมคะื้า ใ, ให้รู้เอานะรู้ไปสบายที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะรู้สึกไหมล่ะว่าโลกมันแยกออกไปเห็ <คะ S 2> นไะ้มขันมันแยกออกไป ค่ะเห็นค่ะพอดีแล้วอ่ะจะเอาอะไรอีกอ่ะนั่นนะคะหลวงพ่อหนูดูตัวเองไม่ออกว่าดีหรือไม่ดียังไง<ม>นะคะหลวงพ่อแต่ว่าบางทีก็คือเห็นเห็นเห็นเห็นขันเขาทางานแล้วมันแยก<ม>ออกไปเป็นเรื่องๆอนะคะนั่นแหละเราไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกนะฝึกไปเรื่อยชจนกระทั่นเห็นว่าโอ้ขันมันทําเองนะไม่มีเราสักขันหนึ่งทําอยู่แค่นี้แหละคะหลวงพ<า>่อแค่นี้แหละก็ทํำกันแค่นี้แหละถึงพระละหันค่ะขอบพระคุณค่ะ กลาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะมาส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่าโยมปัญญาล้าหน้าไปไม่ทราบว่าดีขึ้นไหะเจ้าค่ะเลอแล้วล้าน้อยลงไหมล่ะดูไม่ออกเจ้าค่ะปัญญาล้าหน้านะก็คือมันด่วนสรุปไปนะเห็นนั้นนั่นก็ไอ้นั่นก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยมันไปเร็วดไปนะแล้วต้องต้องทายังไงให้มันดีกว่านี้คะเจ้าค่ะไม่เอาไม่เอาดีดีได้ก็เสื่อมได้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 เจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคา่ะขอความเมตตาวันนี้พาทั้งลูกทั้งหลานมาโอ้ไม่ไหวมัง้ง ข, <อ S 2> ขอความเมตต า, าให้หลวงพ่อช่วยแนะนําคนใหม่ทักสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะ<า>ให้เริ่มต้นขอดูหน้าพร้อมๆกันเลยสองคนนะเจ้าค่ะสองคนนะเจ้าค่ะแล้วก็หลานหลานข้างหลังนะเจ้าค่ะรู้จักใจลอยไหม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 แต่ว่าก็ครั้งเดียวไม่เคยเกิดอีกเลยไม่เป็นไรได้เกิดมาลิ้มรสชาติบ้างก็ดีแล้วล่ะนั่แหละจิตมีสมาธินะมีปิติมีความสุขมีความสว่างขึ้นมาก็พยายามรู้ว่าอยากมันจะไม่ได้ตอนหลังๆก็คือพยายามจะทําอีกแต่ว่ามันอยากนั่นแหละจะแกล้งหลอกว่าไม่อยากแต่ยายบอกว่าไม่อยากมีหน้าที่เจริญสติเล่ยไปนะครับถึงเวลาถ้าทํสมาธิทำอะไรก็ทําไป ทําไปเรื่อยแหละดีแล้วล่ะนามส ก, การ์ค่ะหลวงพ่อคือช่วยในในที่ทำงานนะหนูมีชีวิตอยู่ที่ทำงานอย่ประมาณห้าสิบอร์เซ็นชิ้นนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแนะนำหนูบอกว่าเวลาทำงานเนี่ยควรจะต้องชมคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าชมไม่ได้ใจมันไม่ถ้าใจเราไม่ยอมเนี่ยล้วพูกไปมันเหมือนแบบดัด จ, จริตเขาก็เาก็บอกว่าเรายึดในความเห็นตัวเองหรือเปล่า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 เขาดีก็ชมเขานะเขาจะได้ดีมากกว่านั้นทําด้วยเมตตานะไม่ใช่ทําเพราะว่าเสแสร้งเงินใจหนูก็ต้องเมตตาสิคะใช่ใจหนูมันเป็นโทสะละมังใช่ก็ก็มันไม่ดีจริงแนละ้วหนูชมไม่ได้ไงมองสิ <laughs> เขาไม่มีดีเลยเหรอ <laughs> มันเป็นไปนไม่ได้หรอกใครมันจะเลวร้อยอร์ซถ้ามันเลวร้อยเปอร์ซ็ไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกโอเคค่ะไ ป, <ล>ไปดูไปดู <laughs> ต่อไปพอเราหัดสังเกตนะเราจะพบว่าคนแต่ละคนเ้าก็มีข้อดีนะ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 ไปเพิ่มความเมตตาเพิ่มไงคะไปเพิ่มเมตตาเขานะงั้นคือเรื่องจริงบางเรื่องเราไม่จําเป็นต้องพูดใช่ไหมหลวงพ่อไม่ใช่ว่าพูดความจริงทั้งหมดนะคือสัมมาวาจาะนะบางทีไม่พูดเป็นสัมมาวาจามากกว่าค่ะแล้วก็ภาษารเนี้ยสินบ้างข้อถนูยังไม่บริสุทธิ์หนูตั้งใจเป็นแบบบูชาถวายพระพุทธเจ้าหลวงพ่อสาธุสาธุนะอย่างนี้ชอบดีหนูฝึกตัวเองนะหนูพัฒนาตัวเองมาได้เยอะแล้วละ่ะเมื่อก่อนหนูร้ายกว่านี้